ข้อความในคูตการนิกายอุติวุตกะนะครับในจระสูตรข้อ290พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เดินไปอยู่หากว่าภิกษุย่อมรับ กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ไม่ละเสียไม่บรรเทาเสียไม่ทำให้สิ้นสุดเสียไม่ให้ถึงความไม่มีไซภิกษุแม้เที่ยวไปอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียนไม่มีโอตตปะเกียรติครานมีความเพียนเลวตลอดการเป็นนิจ คนที่ปล่อยอกุศลวิตกให้มันเกิดขึ้นในเวลาเดินเนี่ยนะก็เรียกว่าคนขาดความเพียร น, นะครับเป็นคนไม่มีโอตปะเป็นคนที่เกียจคร้านเป็นคนที่มีความเพียรเลวนะครับดูความพิสูุทั้งหลายแม้ถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยืนอยู่หากว่าภิกษุย่อมรับกามวิตกนะครับ พยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ไม่ละเสียไม่บรรเทาเสียไม่ทําให้สิ้นสุดเสียไม่ให้ถึงความไม่มีไซิกษุแม้ยืนอยู่แล้วอย่างนี้นะครับเราสถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตะปะเกียรติคร้านมีความเพียนเลวตลอดการเป็นนิดนะครับคนขี้เกียจนะนะยืนแล้วก็ปล่อยให้จิตเป็นไปกับอกุศลก็คือคนขี้เกียจนะครับ ถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกฤห์นะย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้นั่งอยู่หากว่าภิกษุยอมรับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ไม่ละเสียไม่บรรเทาเสียไม่ทําให้สิ้นสุดเสียไม่ให้ถึงความไม่มีไซภิกษุแม้นั่งอยู่นะครับเป็นอยู่แล้วอย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตปะ เกียจคร้านมีความเพียรเลวตลอดการเป็นนิจถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่พิสูผู้นอนอยู่นะครับนอนกะอิรยาบทนอนอะนะแต่ตื่นอยู่นี่นะครับแปลว่าไม่หลับนะนอนแต่ไม่หลับอะ่ะหากว่าพิสูยอมรับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ไม่ละเสียไม่บันเทาเสียไม่ทำให้สิ้นสุดเสีย ไม่ให้ถึงความไม่มีไซส์ภิกษุแม่นอนตื่นอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เราจะท้าคตกล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตะปะเกียรติคร้านมีความเพียรอันเลวตลอดการเป็นนิดนะครับสรุปก็คือถ้าคนที่ปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปกับกามิตกพยาบาทวิตกกับวิหิงเสียวิตตกไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนนะครับ แล้วก็ยังแช่อาุศลวิตกแบบนี้ให้มีอยู่ในจิตอย่างงี้นะครับเรียกว่าคนที่ไม่มีความเพียรเลยนะครับเป็นคนที่ไม่มีโอตาปะไม่มีฮิริโอตปะอะไรเลยแม้ถ้าใช้คำว่าไม่มีโอตาปะนี่ให้นึกถึงอะไรครับขณะนั้นไม่มีอะไรครับถ้าใช้คำว่าไม่มีโอตาปะนี่ต้องนึกถึงอะไรโอตาปะนี่เป็นเหตุใกล้ของของศีลนะครับถ้าหาว่าไม่มีโอตาปะนี่นะครับศีลเหลือไหมครับขณะนั้น กนะุศลศีลก็ไม่มีแล้วนะครับกุศลศีลไม่เกิดเลยนะถ้าหากว่าปล่อยให้อาคุลวิตกเกิดเพราะไม่มีโอตับปะเลยเนี่ย น, นะครับเดี๋ยวค่อยๆกล่าวอีกทีหนึ่งนะครับดูกวามพิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่พิกษุผู้เที่ยวไปอยู่หากว่าภิกษุย่อมไม่รับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ ละเสียบรรเทาเสียทําให้สิ้นสุดเสียให้ถึงความไม่มีสายพิสูจน์แม้เที่ยวไปอยู่อย่างนี้เราสถาคตกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตะปะปราลบความเพียรมีใจเด็ดเดียวตลอดการเป็นนิสนะครับคนเพียรที่แท้จริงเนี่ยนะครับเวลาเดินก็ต้องนะครับเวลาเดินก็ต้องไม่มีอากุศลวิตกเลยนะครับอกุศลวิตกก็ไม่ครอบงาย่ยํายีจิต ถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยืนอยู่หากว่าภิกษุย่อมไม่รับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ละเสียบรรเทาเสียทําให้สิ้นสุดเสียให้ถึงความไม่มีซ้ายภิกษุแม้ยืนนะยืนอยู่เป็นอยู่อย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตปะ ปรารบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิดถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตก น, นะครับหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้นั่งอยู่หากว่าภิกษุนั้นย่อมไม่รับกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ละเสียบรรเทาเสียทำให้สิ้นสุดเสียให้ถึงความไม่มีไซภิกษุแม้นั่งอยู่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 ทำให้สิ้นสุดเสียให้ถึงความไม่มีไซส์ภิกษุแม่นอนอยู่ตื่นอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตตะปะปรารบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิดตนะครับคืออากุศลวิตกนะครับสำหรับผู้ที่ยังละไม่ได้ก็จะต้องแทรกเข้ามาบ้างนะครับแม้ว่าจะเป็นกามวิตกวิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกเนี่ยนะ แต่เวลามันแทรกเข้ามาแล้วอ่ะตัดไฟแต่ต้นลมอย่างไรครับนะะยกตัวอย่างนะอุปนิสัยที่เคยสะสมในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพาพทั้งหลายเนี่ยนะครับอุปนิสัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ต้องนึกบ้างเป็นครั้งคราวนะแต่เมื่อมันนึกอย่างนั้นแล้วแก้ไขอย่างไรนะแวดไปถึงรูปปังแวบไปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงโพธิภาพแก้ปัญหานั้นอย่างไรจึงจะเรียกว่ามีความเพียร น, นะครับจึงจะเรียกว่ามีโอตตะปะ บางทียืนเดินนั่งนอนอยู่อาจจะแวบบเอ๊ะเรื่องนั้นเราไม่ค่อยพอใจนะครับโทสะอาจจะเกิดบ้างแต่แก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงนะครับหรือบางทีอาจจะแว บ, บขึ้ือ่อนไม้จะไปต่อว่าใครสักคนหนึ่งนะครับจะตําหนิจะจะด่าเป็นต้นเนี่ยนะเอ๊ะจะแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงนะครับผู้ที่คิดแก้ปัญหานี้ได้ไม่ปล่อยให้ความคิดอันนั้นกําเริบเสบสารขึ้นอย่างนี้แหละครับจึงจะเรียกว่าคนมีความเพียนมีโอตาปะ ปลาลบความเพียรมีใจเด็ดเดเียวตลอดการเป็นนิดนะครับเพราะว่าอากุศลวิตกนะครับมันเคยไปเกี่ยวข้องเนื่องจากไม่เคยมีอินทรีย์สังวรมาแต่ปางก่อนนะครับในการก่อนเนื่องจากเต็มไปด้วยทูจิริตในการก่อนเพราะฉะนั้นไอจิตเหล่านั้ น, น, นก็ได้สะสมอุปนิสยัยสะสมอัธยาศัยประเภทนั้นมาแล้วนะครับเช่นสะสมอัธยาศัยในเรื่องเพ้อเจ้อมานะครับ ทีนี้พอมันได้ภาษาได้เวทนาใกล้เคียงกันนะนะวิตกที่เป็นไปเพื่อเพอเจอมันก็เกิดทีนี้มันเกิดจะแก้อย่างไรนะครับมันจะแก้อย่างไงเพื่อที่จะตัดอุปนิสัยอันเดิมเดิมเสียนะครับตัดอุปนิสัยเดิมเดิมเสียนะครับเหมือนกับว่าปกติแล้วท่านฝนมันตกมาน้ําจะต้องไหลไปทางนี้แหละทีนี้มันตกมาจะแก้ไขยังไงไม่ให้ไหลไปทางเดิมนะครับไม่ให้น้ําไหลไปทางเดิมเนี่ยแก้ตรงไหนแก้อย่างไร เพราะนั้นประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมคําสอนก็อยู่ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะสมณเพศเนี่ยสิ่งที่แก้สําคัญที่สุดคืออากุศลวิตตกทั้งหลายนะครับถ้าหากว่ายังแก้ปัญหาไม่ให้อากุศลวิตกเกิดไม่ได้นะครับก็ยากที่จะเจริญในธรรมศีลศิษขาก็ยากที่จะตรึกได้จิตศิษขาก็ยากที่จะเจริญได้แม้กระทั่งปัญญาศิกขาก็ยากที่จะอบรมได้ถ้าไม่แก้อากุศลวิตตกก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นอากุศนวิตกเนี่ยนะครับยกมาโดยวิตกแต่ที่จริงแล้วก็คือนิวรณ์กลุ่มรุมนั่นเองในขณะนั้นๆ น, น, นะครับแต่นี้เรายกไมิดฉ้าสังกับปะขึ้นมาเป็นหลักหรือยกสัมมาสังกับปะขึ้นมาเป็นหลักแต่ที่จริงก็คือขณะที่ถูกนิวรณ์กลุ่มรุมในจิตนั่นแหละครับอันนะัไม่ต้องกล่าวถึงละเมิดไปผิดศีลผิดธรรมแล้วนะอันนั้นมันตกคอไปนานแล้วนะครับ พระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าภิกษุใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ย่อมตรึกถึงวิตกอันลามกอันอาศัยแล้วซึ่งเรือนไซนะครับหมายความว่าอคุศลวิตกเหล่านี้เนี่ยนะอาศัยกามมาคุณห้าเนี่ยนะครับภิกษุนั้นชื่อว่าดำเนินไปตามทางผิดหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลง ภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะถูกต้องซึ่งสมโพทิยานอันสูงสุดนะครับไม่ควรบรรลุมรรคผลอะไรเลยนะครับภิกษุใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่สงบระงับวิตกได้แล้วยินดีในธรรมะเป็นที่สงบวิตกภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ควรเพื่อจะถูกต้องซึ่งสมโพทิยานอันสูงสุดนะครับ ถ้าอยู่ที่ไหนแล้วระ ง, งับอากุศลวิตกได้ก็คู่ควรนะครับที่จะบรรลุมรรคผลแต่ถ้าหากว่าไปที่ไหนอกุศลวิตกก็ฟุ้งกระจายไปหมดก็ไม่คู่ควรอะไรต่อการบรรลุมรรคผลนะครับสัมโธิยาเนี่เป็นชื่อของอริยมรรคนะครับในอัตกถาบทว่าจรโตได้แก่กําลังเดินหรือกําลังจงกรมอยู่นะครับเดินจงกรมนี่อากุศลวิตตกเคยเกิดนะครับและคิดถึงใครสักคนหรือคิดถึงเพื่อนคิดถึงอาหารคิดถึง สิ่งทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะเนี่ยนะบทว่าอุปชติกามวิตกโกวาความว่าถ้าว่าคือว่าผีว่าวิตกที่ประกอบด้วยกามนะครับหรือหรืออะไรครับพยาบาทวิหิงสาเนี่ยนะจะเกิดขึ้นในเพราะปัจจัยเช่นนั้นเพราะยังไม่ปราศจากราคะในวัตถุกามทั้งหลาย หมายความว่าเดินไปแอบนึกถึงแวบ ร, รูปแวบคําพูดแวบกลิ่นเป็นต้นเนี่ยนะครับคําว่ารูปเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องรูปผู้หญิงอย่างเดียวอาจจะเพื่อนกันนะครับอาจจะคิดถึงเพื่อนคิดถึงโยมคิดถึงใครก็ช่างเถะครับคิดถึงเลือกสวนไรน่นาคิดถึงผ้าคิดถึงจีวรคิดถึงที่อยู่อาศัยกุฏินี่นะครับที่เป็นรูปารมเนี่ยนะสัทธารมคันธารมราษารม โทธภาลมเนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสที่คิดแล้วโลภะมันเกิดอ่ะนะอาจจะโลภะแบบอุเบกขาหรือว่าสมนัตต์ก็ตามานะเพราะมันได้ปัจจัยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากยินดีในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากยินดีในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากไม่คิดจะละมันเลยเอางี้นะมองเห็นจีวรนี่คิดจะกําจัดราคะในจีวรเหล่านี้ไหมเห็นไหมครับมองเห็นเนี่ยที่อยู่อาศัยเนี่ยฉันจะกําจัดราคะในสีเหล่านี้นะ มองเห็นแสงสว่างจะละไอความยินดีที่มีในแสงสว่างนะมองเห็นเนี่ยข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะครับแว่นตานาฬิกาพัดลมตู้เย็นที่เห็นต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับฉันจะต้องกําจัดราคะในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนียไอความคิดแบบเนี่ยมีไหมถ้าไม่มีมันก็บอกว่าแค่คิดยังไม่เกิดนะครับจะป่วยกล่าวไปยายถึงการละเล่าเดี๋ยนะหนาวอย่างนี้ฉันต้องกําจัดฉันทราคะในจีวรให้ได้ย่างไงนะ จะต้องกําจัดชั้นธราคาในผ้าห่มให้ได้แล้วก็มันปัจเจกเป็นต้นไปนะเนื่องจากไม่เคยละไม่เคยกําจัดไม่เคยอะไรเลยเนี่ยนะครับอยู่ๆมันก็ต้องคิดถึงอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราไม่พิจารณาก็ต้องคิดถึงอยู่แล้วนะอย่างเช่นเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยนะไม่เคยนึกว่าเออเราต้องพลาดพลาดจากคนเหล่านี้เป็นธรรมดานะเนไหมมันต้องจากเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปลารบบ่อยๆนะครับมันก็ไม่ค่อยคิดถึงหรอก แต่ถ้าไม่ปลารบใหม่คิดจะจากเลยนะเหมือนว่าจะเจอกันตลอดทั้งปีทั้งชาติแต่ถ้าอย่างนี้ก็วันๆหนึ่งก็คิดถึงกันไปคิดถึงกันมานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเจริญอภินาปบจัเวกอย่างหนึ่งเรียกว่าเราต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นนะต้องเจริญอะไรซิว่าต้องจากทั้งหมดนะถ้าเจริญแบบนี้บ่อยๆนะครับมันก็จะค่อยๆละไปตามนั้นแหละเห็นไะหเพราะเพราะว่า การมาฉันทะที่มันเกิดก็เนื่องจากอย่างเพลิดเพลินพอใจนี่นะครับหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าพอใจกับสิ่งใดนะก็ตั้งจิตไว้เลยนะฉันจะต้องกำจัดฉันทราคะเหล่านี้นะอย่างเช่นโทสะมันเกิดนะครับฟุ้งซ่านโทสะหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะเวลาสวดมนต์ไหว้พระก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยนะครับสมาทานว่าขอกุศลเหล่านี้จงเป็นอุปนิสัยเพื่อกำจัดความหงุดหงิดอันนั้นออกไป นี่ก็ดีหรือถ้าหากว่ามีการมฉันทะนะครับไปชอบพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งวันนี้แมปจีวเนี่ยมันดูถูกใจเหลือเกินในวันนี้นะครับทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็สมทานเลยขอจงเป็นอุปนิสัยเพื่อกําจัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้นะครับต้องมันสมทานแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับต่อไปต่อไปก็จะเริ่มเห็นโทษขึ้นให้มันสางซาหน่อยนะครับให้ตั้งความปรารถนาเพื่อจะละคลายหน่อย นะถ้าไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อจะละคลายนี่ไม่รู้มันจะเป็นละได้ตอนไหนนะครับนั่นแหละจีวรถูกไฟไหม้ก็จะข้าครวนหนักกว่าเดิมอีกนะครับต้องหมั่นสมาทานเอาไว้ว่าจะต้องไม่ติดต้องไม่คล่องในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคนที่สมทานหรือมีแนวความคิดแบบนี้บ่อยๆนะครับจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดถืออะไรนะครับจะได้ก็หมายถึงก็ดีใจอะไรมากมายจะเสียก็หมาถึงก็ต้องเสียใจอะไรเลยนะครับ มันแทบไม่ต้องวิตกวิจารโอ้ได้มาแล้วเนะมานั่งชื่นชมดูแล้วดูอีกไม่มีนะครับถึงให้ไปก็มานั่งโอ้เสียดายไม่น่าให้ไปเลยเก็บไว้ก็ดีอย่างนี้มันก็ไม่มีนะครับมาก็ดีไปก็ดีนะครับเอาแบบภระสังขารมาชิเลยนะนะครับไม่ได้ดีใจเลยว่าแม่อดีตแม่บ้านพาลูกมาหาไม่ได้ดีใจเลยนะครับ แล้วก็ตอนที่เธออุ้มลูกจากไปก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยนะครับขามาเป็นอย่างไรขาไปก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับต้องทาใจในได้แบบนั้นถ้าทำใจไม่ได้แบบนั้นเวลาใกล้จะตายถ้าเกิดมันผูกพันขึ้นอะไรจะเกิดนะครับเดี๋ยวปเกิดเป็นจิ้งจกเป็นตุกแกเป็นหมูม้ากาไก่อย่างงั้นลยอย่าบากนะครั บ, นะร บ, นะรบถ้าไปเกิดติดใจในเวลาใกล้จะตายเข้าไปติดใจในผ้าเดี๋ยวไปเกิดเ็นเล่นนะครับ พอใจไปเกิดดินดีในบ้านเดี๋ยวเกิดเป็นจิ้งจกตุกแกนะครับอยู่แถวนั้นลําบากติดใจในที่ดินเข้าเดี๋ยวไปเกิดเป็นมดเป็นมแมลงเป็นไส้เดือนช้อนชายอยู่แถวนั้นก็นยุ่งวุ่นวายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมันฝึกมันหัดนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้คิดจะกำจัดกิเลสเป็นสมุทเฉลาปะหานก็ยังไงยังไงก็ให้มันไม่ติดข้องตายไปเป็น เ, เป็นอารมณะปะจัจจัยให้ไปสู่อบายทุกติวินิบาสนารกนะครับ เพราะว่าจิตที่เป็นอกุศลในรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะยังไงเสียมันก็ต้องพานำปฏิสนธิในอาบายอยู่แล้วถ้าปักจิตอันนั้นไปเกิดเวลาใกล้จะตายนะครับเวลาใกล้จะตาย บ, บทว่าพยาปาทวิตักโกวาวิหิงสาวิตักโกวามีการเชื่อมความว่าถ้าหากว่าวิตกที่ประกอบด้วยพยาบาทที่มีความอาฆาตเป็นนิมิตความโกรธนะหรือวิตกที่ประกอบด้วยวิ เิงสาด้วยอำนาจแห่งการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยก้อนดินและตะพดเป็นต้นเกิดขึ้นซ้ายนะครับจะตบจะตีนะจะไปต่อจะไปว่าจะไปด่าเป็นต้นเนี่ยนะครับจะเขียนจดหมายไปหมินไปดูถูกไปเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าความคิดแบบนั้นมันเกิดขึ้นเอออยู่ๆทาไมคนนั้นพูดอย่างนั้นกับเราได้เนี่ยมันนึกหงุดหงิดขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยนะครับลักษณะเนี่ยนะ บทว่าอธิวาเสติความว่าถ้าให้การมวิตกนะครับตามที่กล่าวแล้วนะหรือพยาบาดวิตกวิหิงสาวิตกที่กล่าวแล้วเนี่ยนะที่เกิดขึ้นในจิตของตนตามปัจจัยพักอาศัยอยู่คือยกจิตของตนออกไปแล้วให้มันพักอยู่เพราะไม่มีการพิจารณานะหมายว่าเออมาเลยนะรับโหลดเลยนะครับกามวิตกเออมาก็ดีเหมือนกันก็ไปใหญ่เลยนะครับ นะนะเหมือนกับว่าเอรอเพื่อนเมื่อไหร่นะสมมติถ้าเป็นผู้ชาก็เอ้เมื่อไหร่เพื่อนจะมาชวนกินเหล้าสักทีหนึ่งอะนะนอนคอยอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่เพื่อนจะชวนไปหาปูหาปลาสักทีนึงหาไปเที่ยวฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะถ้าลักษณะนั้นก็ยินดีแบบนั้นก็เท่ากับยินดีอกุศลวิตกนะก็อย่างบางบางท่านนะครับนั่งเล่าเรื่องภาพยนตร์ให้ฟังได้เป็นนอนนะ ว่าเออเขาเล่าเรื่องราวเป็นตุเป็นตะไปหมดไอ้ที่เล่านี่มันเรื่องอะไรก ว, ว่าหนังรขาว่าแม่ไปได้เหมือนกัน <c oughs> นะครับติดตามหมดพระเอกนาะงเอกไปเที่ยวที่ไหนไปยังไงเขาคุยกันยังไงอะไรยังไงเนี่ยโอ้โหจแม่นหมดเลยนะครับทีพัตถุจําไม่ได้ซากสูตรเลยนะครับทีตรงนั้นเนี่ยจําได้เยอะแยะไปหมดนะครับเออเป็นอย่างนั้นไอ้พวกนี้คิดว่ายินดีต้อนรับเชื้อเชิญ อ, อากุศลวิตกนะครับนะครับ ไปเที่ยวต้อนรับหรือบางทีเนี่ยนะครับเรื่องเขาทะเลาะเบาะแวงกันก็เก็บมาคิดนะครับเออทาไมเขาด่ากันทําไมเขากโกรธกันเขากโกรธกันแล้วก็คิดคิดแล้วมันจะได้ไม่สบายใจไปกับเขาอ่ะนะคิดแล้วหาเรื่องไม่สบายใจมาเข้าตัวนะครับอยู่ว่างๆก็ไปเที่ยวเก็บเรื่องไม่เป็นเรื่องเอามาคิดนะครับเรื่องกิมูราที่มาแห้งนั้งหลายแล่นั่นแหละเอามาคิดเอามาวิตกกังวลเรื่องยอมคนหนึ่งเขาเล่าดีเขาบอกว่าพวกนี้มันเหมือนกับ เอาคิเลื่อยมาเลื่อยใหม่นะครับที่จริงมันเลื่อยเสร็จแล้วล่ะแล้วเอามาเลื่อยใหม่บทข้างแล้วข้างเล่าข้างแล้วข้างเล่าเหมือนกับพายเรืออยู่ในอ่างนะว่ายวนอยู่นั่นแหละไม่มีแล้วมีเสร็จคิดวิตกตรึกแล้วตรึกเล่าตรึกแล้วตรึกเล่าตรงนี้ทำให้นึกถึงผู้การก็บอกว่าเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยนะบางเรื่องทําไมเราต้องไปคิดขนาดนั้นก็ไม่รู้เพราะว่างั้นน่ะนะ ทำไมต้องไปคิดมันกับมันมากมายขนาดนั้นที่จริงคิดไม่กี่ทีก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่คิดวนแล้ววนเล่าวนแล้ววนเล่ารอบแล้วรอบเล่าเนี่ยโอ้ยไม่มีเสร็จมีสิ้นสักทีหนึ่งเนื้ออะคุสนิตกก็จะเป็นไปในลักษณะนั้นนะครับคิดซ้ําๆซักๆากถ้านะปล่อยให้อะคุสนิตกเหล่านี้เกิดมากๆนะครับขณะนั้นก็เป็นมโนโทุจิริตแล้วหนักหนักเข้ากายทุจิริตจะเกิดต่อนะครับว่าจีทุจิริตก็จะเกิดต่อ เราสังเกตดูนะว่าชีวิตของคนเนี่ยนะครับประชีวิตประจําวันเขาเขาพูดอะไรมากแสดงว่าเขาตรึกเรื่องนั้นมากนะครับก่อนหน้านี้เขาตึกเรื่องอะไรมาเขาจะพูดเรื่องนั้นผมสังเกตมาเยอะแล้วนะครับใครก็เหมือนกันนะท้งพระทางโยมเนี่ยแหะถ้าเขาไปคิดนะ เ, เรื่องอะไรมานะเขาไปประทับใจเรื่องอะไรมาเขาจะมาเล่าเรื่องนั้นนะครับหรือถึงพูดเรื่องอื่นอยู่เดี๋ยวก็วนกลับไปเรื่องนั้นอีกนะครับเดี๋ยวก็ต้องวกกลับไปเรื่องที่เขาเขากําลังสนใจจนได้ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความสนใจความสนใจนั่นแหละครับเรียกว่าวิตกทั้งหลายแต่โดยมากเป็นอกุศลวิตกนะครับทีนี้อกุศลวิตกเหล่านี้มันเกิดขึ้นก็รับมาเลยนะครับสังเกตดูนะเวลาเดินเนี่ยคิดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยอกุศลวิตกทั้งนั้นเวลานั่งเวลายืนบางทีอ่านพระไตรปิฎกนะอกุศลวิตกเนี่ยยังมาเลยพออกุศลวิตตกมานะปิดพระไตรปิฎกก่อนนะครับ ถ้านะคิดเรื่องนั้นไปก่อนเนี่ยนะครับีคิดไปคิดมากก็เพลินไปเรื่อยนะครับเดีย๋ยวนะอย่างเหมือนผมเนี่ยนะนี่เดินเดินไปเนี่ยมันวิตกไปไกลนะครับมันวิตกถึงสีสะเก็ดเฉย น, นู่นเออมันไปได้เหมือนกันนะครับมันวิตกถึงไอ้สถานที่ตรงนั้นมันเป็นเนื้อผาเออเป็นเนื้อผาเนี่ยถ้าไปเดินจงกรมน่าจะเข่าท่าเหนืน่นนะครับ น, นู่นแถวสุรินทแถวสีสะเก็ดนั่นแนหะ น, น, นะนะแถบชายแดนใกล้ๆดงระเบิดนะเนี่ยวนะ่ามันตายไกลเหมือนกันนะที่จริงก็เดินอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตั้งภาคเนื้อของสุดประเทศไทยติดใกล้ๆพมา่ามันคิดไปถึงโน่นนะใกล้ๆเขมรเฉยไปได้นะครับคนละคนละเล่าเลยดีนะครับไม่ต้องเสียค่ารถถ้าเป็นเดินทางไปจริงๆหมดค่ารถเป็นพันอีกนะไม่ไหว